คุณสมบัติและข้อปฏิบัติก่อนเป็นโสดาบันพึงสังเกตความหมายของศรัทธาศีลจาคะปัญญาระดับนี้เทียบกับในตอนว่าด้วยพระโสดาบันโดยตรงที่ผ่านมาแล้วผู้ใดไม่มีโสตาปฏิยังคาสีประการคือศรัทธาในพระรัตนตรัย และสีนที่อริยชนชื่นชมหรือยอมรับไม่มีสอตาปฏิยังฆ่าสี่ประการเลยโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่ายังเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายปุตุชนจากสังยุตตนิกายมหาวารวักพึงตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยเกี่ยวกับความหมายของปุตุชนและอริยะบุคคลในบาลีเดิมกับยุคอัตถกถาและดีกา ว่าในสมัยหลังๆจะตึงๆหรือเทื่อๆมากกว่าหรืออย่างไรและดูปุถุชนในแง่อินสีห้าที่สั่งยุตานิกายมหาวารวักเช่นเดียวกันพระเจ้ามหานามะทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงใดบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นอุบาสก ตรตอบว่าเพราะการที่บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยเหตุเพียงนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเพราะการที่อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานาธิบาศ จากอธทินนาทานจากกาเมสุมิฉาจาร์จากมุสาวาตจากสุรามรยะมัชฌะปมาทฐานด้วยเหตุเพียงนี้แหลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ละจนถึงเป็นพระผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุเพียงแค่นี้อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะในข้อนี้อุบาสกผู้ครองเรือนด้วยใจปราศจากมนทินคือความหวงแหนลาจนถึงยินดีในการให้การแบ่งปันด้วยเหตุเพียงนี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีปัญญาละจนถึงทะลวงกิเลสได้หรือเจาะสัจธรรมได้อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงนี้แหลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาสําหรับพุทธพจน์นี้ความเต็มได้กล่าวมาในตอนที่ผ่านมาแล้ว ข อ, อนำความหมายของสัทธานุสารีและธรมานุสารีซึ่งเป็นรองจากพระโสดาบันมาแสดงอีกครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายตาไม่เที่ยงเป็นของปรวนแปรกลายเป็นอย่างอื่นได้ผู้ใดเชื่อน้อมใจดิ่งต่อธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นสัทธานุสารี ในที่นี้ตราสทีละอย่างโดยในยะเดียวกันนะครับซึ่งประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์6วิญญาณหจนถึงขันห้าแต่และอย่างสำหรับผู้ใดธรรมะเหล่านี้ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณผู้นี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารี พุทธพจน์จากสังยุตตนิกายคันทวารวักที่เคยอ้างแล้วแต่ในสังยุตตนิกายมหาวารวักทรงแสดงความหมายของพระอริยบุคคลระดับต่างๆในแง่ของอินทรีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาตามในยะนั้นผู้ที่มีอินทรีห้าอ่อนกว่าพระโสดาบันเป็นธรรมานุสารี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 แต่เป็นองค์ปฏิบัติที่จะทําให้เป็นโสดาบันหรือข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความเป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าสาวรีบุตรพูดกันว่าโสตาปฏิยังคะโสตาปฏิยังคะคือองค์คุณเครื่องบรรลุโสดาโสตาปฏิยังคะเป็นไนตูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญ สัปุริสัสังเสวะการเสวนาสัต บ, บุรุษเป็นโสตาปฏิยังค่าหนึ่งสัตธรรมะสวนะการฟังธรรมะของสัต บ, บุรุษเป็นโสตาปฏิยังค่าหนึ่งโยนิโสมนสิการการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีเป็นโสตาปฏิยังค่าหนึ่งธรรมานุธรรมะปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่เป็นโสตาปฏิยังค่าหนึ่ง3ข้อแรกการเสวนาสัตบุรุษการฟังธรรมะของสัตบุรุษและโยนิโสมนาสิการก็คือปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญเสวนาสัตบุรุษเท่ากับกัลยาณมิตรตา ปังธรรมะของสัตบุรุษเท่ากับประโตโคสะฝ่ายดีพึงดูคำอธิบายในภาคมชิมาปฏิปทาส่วนธรรมานุธรรมะปฏิบัินั้นหมายถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการตามความมุ่งหมายคือหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่หลักเบื้องต้นเอือแกหรือเป็นไปเพื่อหลักเบื้องปลาย เช่นปฏิบัติศีลถูกหลักเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ปฏิบัติโดยงมงายไร้หลักการหรือทำให้เขวไปด้วยตัณหาและทิฏฐิคำพีจุลนิเทศแสดงตัวอย่างธรรมะหรือธรรมะหลักใหญ่เช่นสติปทานสมักมีองค์8ดเป็นต้นซึ่งก็คือโพธิปัจคียธรรม37นั่นเอง และอนุธรรมหรือธรรมะหลักย่อยเช่นการบำเพญ็ญศีลการสำรวมอินทรีย์ความรู้ประมาณในอาหารชาคริยานุโยคและสติสัมปชัญญะเป็นต้นพึงปฏิบัติธรรมหลักย่อยเช่นศีลและการสำรวมอินทรีย์นี้ยังมีจุดหมายให้สอดคล้องและอุดหนุนแก่ธรรมะหลักใหญ่เช่นสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนั้น พุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายโซตาปฏิยังคาสี่ประการเหล่านี้กล่าวคือการเซวนาสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีการปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่และพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมะสี่ประการเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการประจักษ์แจ้งโสดาปติพลความจริงธรรมะหมวดนี้ไม่ใช่จะเป็นไปเพื่อโสดาปติพลเท่านั้นแต่อำานวยผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางปัญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุอรหัตผลจึงอาจเรียกชื่ออื่นๆได้อีกหลายอย่าง แต่ท่านเน้นสําหรับการปฏิบัติขั้นนี้จึงมีชื่อเฉพาะว่าโสตาปฏิยังคะในบาลีต่อจากที่อ้างในเชิงอัฏถาก่อนคือสังยุตตนิกายมหาวารวักและขุตกานิกายปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าธรรมะสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อประจักษ์สกาศทาคามิผลจนถึงอรหัตผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางปัญญาอีกมากมายหลายอย่างเช่นเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาเพื่อความภัยบุญแห่งปัญญาเพื่อความมีปัญญาแหลมคมเพื่อความมีนิเพธิกาปัญญาคือปัญญาที่จะทำลายกิเลสได้และอื่นๆโดยเฉพาะที่ว่าเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญานั้นทำให้ได้ชื่อว่าปัญญาวุฒิธรรมด้วย ซึ่งภายหลังนิยมเรียกเพียงสั้นๆว่าวุตที่สี่หรือวุตธิธรรมสีในอังคุตรนิกายจาตุการนิบาทก็แสดงไว้ในแง่ว่าเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาคือเป็นปัญญาวุธธิธรรมและเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่ผู้เป็นมนุษย์ซึ่งอาจเรียกง่ายๆว่าพาหูการธรรม